สวัสดีพี่น้องประคริตทุกท่านนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้นะคะก็ดิฉันก็จะแบ่งปันประมาณเดือนละครั้งนะคะทุกคนได้ทักทายกันไปแล้วนะคะวันนี้อากาศข้างนอกก็ร้อนเป็นปกติร้อนแต่เราไม่ร้อนใจเพราะเราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะ วันเวลาผ่านไปรวดเร็วนะคะตอนนี้ก็ยีสยสามกระกฎาคมแล้วนะคะเดือนนี้ทางคริสตจักรได้กำหนดให้เป็นเดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการนะคะเรื่องที่เราจะแบ่งปันกันก็ไม่พ้นของเรื่องของการร้องเพลงนมัสการพระเจ้านะคะเราเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเราต้องร้องเพลงนมัสการพระเจ้าพระคัมภีร์บอกอะไรเราบ้างนะคะ เราอาจจะไม่สงสัยแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกอะไรเราบ้างนะคะขอร่วมใจกันอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันก่อนนะคะสาธุการพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกสิ่งในโลกพระองค์ผู้ทรงอํานาจอธิปไตยเราทุกคนสรรเสริญพระองค์เราทุกคนขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงคุ้มครองอารักขาให้เรามีชีวิตที่ปลอดภัย และได้เข้ามาในพระวิหารเพื่อนมัสการพระองค์อีกครั้งขอพระองค์ทรงสถิตท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ขอทรงปกป้องพระวจนะของพระองค์ที่ผ่านมาทางพุทธิวงศ์ทรงใช้ให้พระวจนะของพระองค์ทํางานในจิตใจของแต่ละคนตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงนําและอวยพระพรการนมัสการของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์กลาบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสเจ้า amen หัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้นะคะทำไมต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าหรือทําไมต้องร้องเพลงนมัสการพระเจ้าทําไมต้องร้องเพลงสดุดีแก่พระเจ้านะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อของเราเราจะพูดถึงการนมัสการพระเจ้าก่อนเพราะว่าเรื่องของการร้องเพลงหรือการถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นมีเหตุผลอยู่ในพระคัมภีร์นะคะที่ทําไม เราถึงจะต้องทำเช่นนั้นนะคะพระคัมภีร์ไบเบิเลนั้นได้บอกเราถึงเหตุผลถึงเจดประการนะคะที่เราต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะคะก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่านามัสการพระเจ้าก่อนนะคะการนมัสการพระเจ้านั้นถ้าในคำนิยามของมาร์ตินลูเทอร์นะคะได้ให้คำนิยาม การนมัสการของคริสเตียนว่าการนมัสการของคริสเตียนคือการที่พระเจ้าตรัสกับผู้นมัสการโดยผ่านทางพระวจนะจากพระพรหมีอันศักดิ์สิทธิ์และผู้นมัสการทูลตอบพระองค์โดยผ่านทางคำอธิษฐานและการถวายบทเพลงสรรเสริญนะคะการนมัสการของคริสเตียนเป็นการสื่อสารสองทางใน คำนิยามจากมาร์ตินลูเทอร์ก็คือพระเจ้าตรัสกับเราผ่านพระวจนะหรือคำสั่งสอนที่มีพื้นฐานจากพระคัมภีร์ไบเบิลและเราสื่อสารกับพระเจ้าทูลต่อพระเจ้าโดยผ่านคำอธิษฐานและการถวายบทเพลงสรรเสริญนะคะถ้าเราดูจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราจะพบภาษาฮิบรู ที่เกี่ยวกับการนมัสการหลายคำนะคะเราจะไม่เน้นที่ภาษาฮิบรูนะคะยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเช่นคำว่าชาคานะคะชาคาเนี่ยแปลว่าการคุกเข่าลงหรือการก้มกราบโดยซบหน้าลงถึงดินนะคะชาคาเป็นวิธีการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระเจ้าโดยร่างกายและจิตใจยังมีคำอื่นๆที่หมายถึงการนมัสการ ในพระคมภีภาคพันธสัญญาเดิมเช่นการชูมือนะคะการชูมือก็เป็นการนมัสการนะคะการขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าก็เป็นการนมัสการคำว่าชามาซึ่งแปลว่าการร้องเพลงสรรเสริญและการเล่นดนตรีเพื่อนมัสการพระเจ้าดังนั้นการร้องเพลงและการเล่นดนตรีก็เป็นการนมัสการพระเจ้าคำว่าชาบักนะคะเป็นการประกาศชัยชนะด้วยการยินดีโหร้องก็เป็นการ นมัสการพระเจ้าเหมือนกันนะคะดังนั้นในพร ะ, พร ะ, พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้ น, น, นการนมัสการจึงไม่ได้เป็นท่าทีเป็นไม่ได้เป็นเพียงท่าทีภายในจิตใจเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการแสดงออกด้วยท่าทีภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นใครนมัสการร่วมกับเราแล้วเขายกมือชูมือหรือว่าส่งเสียงดังหรือเหมือนอินไม่แปลกนะคะเขานมัสการพระเจ้าด้วย ท่าทางการแสดงออกภายนอกด้วยนะคะความสัมพันธ์ความสําคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงรับการนมัส ก, การสิ่งที่ปรากฏเสมอคือพระสิริของพระองค์เมื่อใดมีการนมัส ก, การที่นั่นจะปรากฏพระสิริของพระองค์นะคะส่วนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นั้นมีคํากลีตที่เกี่ยวข้องกับการนมัส ก, การอยู่สองคำนะคะคำแรกแปลได้ว่า ก, ก้มตัวลงหรือนอนเหยียดจุมพิษมือนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการจุมพิษการจุมพิษบอกอะไรเราบอกถึงความใกล้ชิดนะคะมีนักวิชาการบางท่านนะคะเขายกตัวอย่างเรื่องนี้คำนี้ให้มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นด้วยภาพของสุนัขที่หมอบคลานแล้วก็กระดิกหางนะคะเข้ามา งบคันกระดิกหางคานเข้าไปหาเจ้านายนะคะให้รูปขนนะคะมันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความรักนอกจากการที่ได้นั่งใกล้ๆเจ้าของมันด้วยความรักแล้วก็บูชานะคะคอยโอกาสที่เจ้าของจะคือมันจะได้เลียมือหรือเลียเท้าเจ้าของนะคะผู้ที่มันรักคำนี้จึงสะท้อนให้เห็นท่าทีการนมัสการด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง แห่งความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคำนี้นะคะคำนี้เป็นคำที่ถูกใช้ในพระธรรมยอห์นบทที่สี่ข้อยี่สิบสี่นะคะที่พระเยซู ต, ตัดกับหญิงที่บ่อน้ำของยาโคบว่าผู้ที่นมัสการพระบิดาต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงที่เราคุ้นเคยกันนะคะคำว่านามัสการในพระธรรมตอนนี้ในพระธรรมข้อนี้เป็นนมัสการชนิดที่ ก้มลงกราบและจุมพิตมีความใกล้ชิดนะคะสําหรับอีกคําที่ใช้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่แปลตรงตัวว่าการกระทําของประชาชนอันนี้ดูงงๆนะคะแต่จริงๆแล้วก็ยกตัวอย่างชเช่นการยืนการร้องเพลงก็เป็นการกระทําทั้งสิ้นนะคะคํานี้ถูกใช้ในความหมายของการนมัสการในคริสตจักรนะคะในอย่างเช่นในกิจการข้อบทที่สิบสามข้อสองนะคะ ระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัส ก, การองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสว่านะคะเพราะฉะนั้นคำนี้จะแสดงออกถึงการปฏิบัติรับใช้ดังนั้นสรุปได้ว่าคำว่านมัส ก, การในพระคัมภีร์ใหม่หรือในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยจะออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติรับใช้และปฏิบัติพันธกิจถวายพระเจ้านะคะ เมื่อเราพูดถึงการนมัส ก, การแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของดนตรีและเสียงเพลงกันบ้างนะคะดนตรีและเสียงเพลงเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์เราไม่ได้มาด้วยตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าประทานทั้งสิน้นดนตรีเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็มีความงดงามแล้วก็มีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกเนื่องจากมีระดับเสียงสูงเสียงต่า เสียงบางเสียงเบาเสียงเร็วเสียงช้านะคะมีขึ้นมีลงตามอารมณ์เพลงที่สุขหรือเศร้าตื่นเต้นหรือผ่อนคลายดนตรีหรือเสียงเพลงจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้รวดเร็วกว่าคำพูดธรรมดามากนะคะดนตรีและเสียงเพลงจึงเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการเสมอนะคะทีนี้เราก็มารู้กันเสียทีว่า ทำไมเราจึงต้องร้องเพลงสรรเส ร, ร, ริญหรือร้องเพลงน้ำมศการพระเจ้านะคะพระคำภีเปิดเผยให้เราทราบถึงเหตุผลที่เราต้องร้องเพลงสรรเส ร, ริญไม่ว่ า, าจะเป็นสรรเสริญสดุดีหรือน้ำมศการพระเจ้าอยู่เจดประการนะคะที่ดิฉันนมาแบ่งปันมีจากพระธรรมหลักหลัก เพียงสองข้อเท่านั้นก็คือพระธรรมที่พี่น้องได้อ่านไปนะคะในพระธรรมโคลสีบทที่3ข้อ16และเอเฟซัสบทที่5ข้อ 18-19 นะคะโคลสีบทที่3ข้อ16บบอกว่าจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านถ้าเราสังเกตคําสั่งหลักๆมีอยู่สองคำสั่งเองนะคะเพราะวาจนะของพระคริสต์จะอยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยการกระทำสองประการก็คือสั่งสอนและเตือนสติกันละกันกับอีกประการหนึ่งก็คือการร้องเพลง ร้องเพลงทุกสิ่งร้องเพลงสดุดีร้องเพลงนมัสการร้องเพลงสรรเสริญด้วยจิตวิญญาณและการขอบคุณพระเจ้าส่วนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หข้อสิบแบอกว่าและอย่าเมาเล่าองุ่นซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเพราะฉะนั้น ประการที่1ที่เป็นเหตุผลของการที่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงเพลงก็คือเพราะว่าการร้องเพลงเป็นการเชื่อฟังนะคะเพราะว่าการร้องเพลงเป็นคำสั่งจากพระเจ้าจากพระธรรมสองข้อนี้ที่เราบอกไปเมื่อเราร้องเพลงเราก็คือแสดงความเชื่อฟังของพระเจ้านะคะประการที่สองก็คือเพราะการร้องเพลงนมันสการคือการย่างรากลึกลงในพระคำของพระเจ้า ะะจากพระธรรมโครดสีข้อเดิมนี่แหละคะ่ะบทที่3ามข้อสิจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ก็คือ2ประการให้สั่งสอนตักเตือนกันกับข้อที่2คือร้องเพลงนะคะอัครส า, าวกเปาโลได้ให้คําแนะนํานี้เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ในเราอย่างบริบูรณ์โดยบอกเราว่าควรใช้คําสั่งดังกล่าวอย่างไรประการแรกก็คือการสอน และตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยสติปัญญาประการที่สองคือการร้องเพลงดังนั้นการร้องเพลงจึงเป็นหนึ่งในสองวิธีหลักในการที่พระวจนะจะย่างรากลึกเข้าไปในตัวเรานะคะจะสังเกตได้ว่าแม้การร้องเพลงสะดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณเป็นคำสั่งแต่คำสั่งนี้มาพร้อมกับพระสัญญาคามั่นสัญญา เช่นเดียวกับเมื่อเราร้องเพลงสวดบทเพลงสวดและเพลงจิตวิญญาณด้วยกันเราจะได้รับสัญญาว่าพระวจนะของพระคริสต์จะสถิตยอยู่ในตัวเราจะอย่างลากลึกลึกอยู่ในตัวเรานะคะดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกแล้วว่าพระคําของพระองค์จะสถิตด้วยวิธีการสองอย่างเนี้ยก็เป็นนั้นว่าเราจะต้องกระหายที่จะปฏิบัติในฐานะผู้เชื่อเราอาจจะยังไม่รู้เหตุผลแต่พระเจ้าสาั่ง แล้พระเจ้าบอกวิธีมาว่าสองวิธีนี้เป็นการที่ทําให้พระคำของพระองค์ย่างลากลงไปในจิตใจของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าการร้องเพลงในการนมัสการของเราเป็นมากกว่าการอุ่นเครื่องในการฟังเทศนาพระธรรมโกรรศีบทที่สามข้อสิบหกข้อเดิมเนะะี่ยค่ะบอกเราชัดเจนว่าการร้องเพลงนมัสการเป็นคําสั่งให้เราปฏิบัติคู่กับการเทศนา ซึ่งเป็นการสั่งสอนเตือนสติเห็นไหมคะการนมัสการของเราประกอบด้วยสองส่วนหลกัหลกๆคือการเทศนาก็คือการสั่งสอนอีกอันหนึ่งก็คือการร้องเพลงสรรเสริญเพราะฉะนั้นมันอยู่ในพระธรรมบทที่โคลสีบทที่3ข้อ16อย่างชัดเจนนะคะก็คือเป็นหนึ่งในสองทางที่พระเจ้าทรงกำหนดทางไว้ให้เราในการทำให้พระวจนะของพระองค์สถิตยอยู่กับเราในทุกๆคนนะคะ ประการที่สามเหตุผลข้อที่สามที่เราต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็คือเพราะว่าการร้องเพลงในมหการคือการเสริมสร้างผู้เชื่อและผู้ที่ยังไม่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะคะมันเป็นอย่างนั้นยังไงในเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบบอกว่าจงปลาใสยกันและกันภาษาอังกฤษเรียก addressing one another นะคะด้วยเพลงสื่ดีด้วยเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ เช่นเดียวกันถ้าเราดูดในโครโนสีบทที่3ข้อ1 3บสถึงสิเลยนะคะข้อ 13, 13จะบอกว่าจงผ่อนหนักบ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความบริบูรณ์และจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่าน พระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวกันเพื่อสันติสุขนั้นและท่านจงมีใจกตัญญูจงให้พระวาระของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิน้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงรำสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะคะในพระธรรมโคโลสีบทที่สาข้อ1ิบสามสที่สําคัญก็คือจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและพระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวกัน นะคะหรือจงปลาสายกันนะในข้อสิบสามนะคะดังนั้นถ้าเราทำตามที่พระวจนะของพระเจ้าสั่งเราในข้อสิบหคือการร้องเพลงในมัส ก, การด้วยกันร้องเพลงอย่างเป็นครอบครัวคริสตจักรร้องเพลงอย่างอย่างที่เราอยู่ร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต่างได้ยินคําพยานแห่งความเชื่อรอบตัวเราถ้าณที่เนี้ยมี ผู้นมัส ก, การอยู่ตอนนี้ย30คนเราจะได้ยินถึง30เสียงในการที่เปล่งเสียงเป็นพยานถึงการถึงความเชื่อของพระเจ้าถึงความเชื่อที่เราร้องเปล่งเสียงออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเรานมัส ก, การ300คนหรือเกือบ500คนในการนมัส ก, การภาคเช้าหรือพันคนเราก็จะได้ยินเสียงร0อยคน300อคน500อคนนั้นร่วมร้องเพลงกับเราในการนมัส ก, การพระเจ้านะคะ ในการเปล่งคำพยานถึงความเชื่อออกมาเป็นเสียงเพลงอเมนไหมคะอเมนสามร้อยห้าร้อยเสียงนะคะเป็นคำพยานถึงความเชื่อที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ใช่ธรรมดาในพระคริดองค์เดียวพระองค์องค์งเดียวเท่านั้นเติมเต็มความหวังของเราด้วยเสียงนับร้อยนะคะเป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อนะคะ อีกประการหนึ่งก็คือในสถานที่ที่เดียวกันในการนมัสการพระเจ้าบางครั้งก็ไม่ได้มีเฉพาะผู้เชื่ออยู่กับเราถ้ามกลางพวกเราจะมีผู้ที่ยังไม่เชื่อหรือยังไม่รู้จักพระองค์ร่วมอยู่กับเราดังนั้นให้พี่น้องทุกคนตระหนักรู้ไว้ว่าขณะที่คุณกำลังขณะที่พี่น้องกำลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นพี่น้องทุกคนกาลังมีส่วนช่วยให้ ผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าได้ยินเรื่องราวของพระองค์นะคะคุณกำลังบอกเขาด้วยเสียงหนึ่งเสียงด้วยเสียงสามร้อยเสียงด้วยเสียงห้าร้อยเสียงว่ามีพระเจ้าอยู่ในโลกนี้คุณกำลังบอกเขาถึงเรื่องราวของพระเจ้าว่าแล้วเราได้ทำหน้าที่นั้นแล้วเราได้ทำหน้าที่ขณะที่เรานมัสการพระเจ้านะคะที่เหลือเป็นพระเมตตาของพระองค์ที่จะ เป็นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีต่อเขานะคะในสดุดีบทที่ร้อยหข้อ 1-2 บอกว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าจงร้องทูลออกพระนามของพระองค์จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลายจงร้องเพลงถวายพระองค์ร้องเพลงสะดุดีถวายพระองค์จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเรานมัส ก, การอย่างเต็มเสียงอย่างเต็มกําลังของเรา เรากําลังปฏิบัติตามพระ อ, องค์ในข้อนี้อยู่นะคะลองคิดภาพตามนะคะการนมัส ก, การที่เต็มไปด้วยการแป่งเสียงชัดถ้อยชัดคำร้องเพลงสรรเสริญพระ อ, องค์ด้วยความรักเชื่อมั่นศรัทธาในพระเยซูคริสต์ผนวกกับการทาเทศนาคือที่พระ อ, องค์สอนไว้ว่าพอพระคำของพระ อ, องค์จะย่างลากลงไปในจิตใจของเราด้วยคําเทศนาหรือการสั่งสอนและ การนมัส ก, การหรือการสารรเสริญด้วยเสียงเพลงนะคะนั่นคือการประกาศพระกิติคุณเรากำลังทำงานประกาศพระกิติคุณกับพระเจ้าให้กับพระเจ้าด้วยการร้องเพลงและเราได้ทำการเชื่อฟังพระองค์ด้วยการร้องเพลงสิ่งที่พระองค์ทรงทำทรงแนะนำเราไว้นะคะแล้วระหว่างที่เรามานมัส ก, การพระเจ้าเราได้ประกาศข่าวประเสริฐ ด, ด้วยนะคะ ข้อประการที่สี่ที่เราต้องเหตุผลที่เราต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็คือการร้องเพลงคือการประกาศสงครามกับความบาปถ้าเราอ่านพระธรรมโคโลสีบทที่สามเราจะพบว่าพระธรรมตอนเนี้ยอาจารย์เปาโลกําลังท้าทายชาวโคโลสีให้ทิ้งชีวิตเก่านั่นก็คือการฆ่าความบาปชีวิตเก่าของเราคือความบาปชีวิตอยู่ปัจจุบันของเราก็ยังมีความบาป แต่เมื่อเราเปล่งเสียงถวายสารรเสริญพระองค์เรากำลังประกาศสงครามกับความบาปเพราะเมื่อเรามีพระองค์เมื่อเรามีพระองค์อยู่ในใจเราย่อมต้องละชิ้งความบาปออกจากตัวเรามันเป็นการประกาศการร้องเพลงคือการประกาศเป็นการใช้พระวจนะของพระเจ้าสั่งสอนทัศนคติและนิสัยของผู้เชื่อที่จะฆ่าบาปนะคะ หรือเป็นการประกาศสงครามกับความบาปขนาดที่เราร้องเพลงโดยเฉพาะถ้าเราร้องออกมาจากใจเป็นไปได้ยากที่เราจะเสียแซงเราร้องออกมาด้วยความคือเราไม่ได้พูดเราร้องเราร้องด้วยความรู้สึกเพลงหรือถ้อยคําในดนตรีเนี่ยมันสามารถที่จะกินใจเราได้มากกว่าการพูดเฉยๆนะคะแล้วถ้าเราจะเดาเราย่อมเดาได้เลยว่าถ้าระหว่างท่าทางที่เราร้องเพลงด้วยความจริงใจสรรเสริญพระเจ้านั้น ถ้ามารซาตานเฝ้ามองดูอยู่เนี่ยมันเกลียดแน่ๆมันไม่ได้อยากเห็นภาพนั้นเลยมันไม่อยากเห็นภาพคนที่กําลังแค่กระหยิบมือหนึ่งสองคนหรือสามสิบคนหรือห้าร้อยคนกําลังแป่งเสียงน้สัส ก, การพระเจ้าด้วยท่าทางแบบจากใจจริงมันเป็นของแสลงใจของมารซาตานแน่นอนในการที่เราประกาศต่อสู้กับมันนะคะด้วยการสรรเสริญพระองค์อย่างง่ายๆเนี่ยนะคะ ในข้อนี้เราเห็นสิ่งเดียวกันคือคําสั่งประมาณเดียวกันในการปร ะ, ประกาศสงการความบาดในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบหกเช่นเดียวกันนะคะสองข้อนี้เป็นข้อพระธรรมที่ร้อกันแล้วก็เป็นคาตอบซึ่งกันและกันเสมอนะคะในเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบหกบอกว่าจงฉวยโอกาสเพราะทุกวันนี้เป็นการที่ชั่ว ะะแล้วก็ต่อด้วยคำสั่งจงต่างๆจงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงน้ำมาศการบาๆๆนะคะการร้องเพลงน้ำมาศการคือการประกาศสงครามกับความบาปนะคะ ให้เราจําไว้ว่าเมื่อไร่ที่เราร้องเพลงสรรเสริญสะดุดีนมาสการพระเจ้าจากหัวใจการร้องเพลงครั้งนั้นนั้นคือการประกาศหัวใจหรือจิตใจที่ตั้งใจทําความทําสงครามกับการกระทําขอ่อชั่วของตัวเองและพลังแห่งความบาสนะคะประการที่ห้าก็คือเมื่อเราร้องเพลงนม้มาสการพี่น้องจะมีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณและพร้อมต่อสู้กับการทดลองนะคะ ตัวอย่างจากพระธรรมกิจการบทที่สิบหกข้อยี่สิบห้านะคะเมื่ออาจา ร, รย์เปาโลและศิลาถูกคุมขังอยู่อย่างไม่เป็นธรรมที่เมืองฟิลิปปีสองคนนี้ร้องเพลงในคุกใช่ั้ยคะข้อยี่สิบห้าบอกว่าประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับศิลาศก็อธิษฐานแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟัง เมื่อเราเผชิญปัญหาใดๆการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นทางออกการนมัส ก, การพระเจ้าจะเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณให้กับพี่น้องนะคะสำหรับคริสเตียนแล้วเราจะไม่ร้องเพลงเฉพาะเมื่อเวลาเรามีความสุขและเวลาที่ดีการที่เราร้องเพลงนมัส ก, การพระองค์อยู่เสมอจะเป็นเหมือนเราสะสมความทรงจำ เนื้อหาพระคุณและพระกิตติคุณจะผุดขึ้นมาจากใจของเราเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์หรือถูกทดลองแม้อยู่ในความทุกข์เราจะร้องเพลงนมัส ก, การพระเจ้าอามีไหมคะอามนีนะคะแม้เราจะไม่ร้องเพลงเฉพาะเราเป็น ม, มีความสุขเท่านั้นเราเป็นคริสเตียนเราร้องเพลงทั้งทุกข์และสุขเพื่อเป็นพลังของตัวเราเองนะคะประการที่หก็คือ เมื่อคุณร้องเพลงเป็นการยืนยันว่าคุณกำลังเดินบนแผนการเพื่อสวัสดิภาพของพระเจ้าเพราะวาจนะของพระเจ้าหลายข้อที่ยืนยันในเรื่องนี้โดยเฉพาะพระธรรมสดุดีมีประมาณ5ข้อนะคะจะอ่านให้ฟังพระธรรมสดุดีบทที่หข้อ11บอกว่าแต่ให้คนทั้งปวงที่ลีไพ่ ย, ยในพระองค์นั้นเปลมปลีให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอพระธรรมสดุดีบทที่เข้อสอง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 แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ ph ra, ph ra ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นที่ลีภายในยามทุกข์ของข้าพระองค์จากพระคัมภีร์ที่กล่าวมาทั้งห้าข้อเราจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งการร้องเพลงก็ทําให้เกิดความสุขและบางครั้งความสุขก็ทําให้เกิดการร้องเพลงนะคะอย่างไรก็ตามตามพระคัมภีร์ ใบเบิ่งแล้วความสุขและการร้องเพลงอยู่ด้วยกันเสมอ ER. ไม่ว่าจะความสุขจากการร้องเพลงหรือร้องเพลงเพื่อความสุขความสุขและการร้องเพลงอยู่ด้วยกันเสมอนะคะดังนั้นถ้าพี่น้องกำลังต่อสู้เพื่อความสุขเราจะทําไรคะร้องเพลงนะคะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและถ้าพี่น้องกำลังมีความสุขจะทำอะไรคะร้องเพลงนะคะเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกันนะคะ พราะนั้นนอกจากเราจะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีแล้วเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราจะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในทุกกรณีเช่นกันอเมนไหคะอเมนนะคะเพราะพระองค์พระองค์ได้ออกแบบเพลงและความรื่นงร่มของดนตรีไว้กับรูปของพระองค์พระองค์มีเครื่องมือให้เรานะคะประการสุดท้ายนะคะเมื่อพี่น้องร้องเพลงนมัสการพี่น้องกําลังยกพระนามหรือถวายพระสิริ แก่พระเจ้านะคะทั้ง6ข้อที่กล่าวมาก็คือเพราะการร้องเพลงนมัสการคือการเชื่อฟังอย่างแท้จริงคือการอย่างลากลึกในพระวจนะคือการเสริมสร้างผู้อื่นคือการประกาศสงครามกับซาตานและความบาปคือการเพิ่มความเข้มแข็งให้จิตวิญญาณคือการยืนยันความเชื่อในการเดินตามแผนการของพระเจ้าทั้งหมดนี้ก็คือการที่มีชีวิตอยู่เพื่อยกพระนามของพระองค์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์และนั่นคือเป้าหมายของเป้าหมายหลักของการมีชีวิตอยู่ของคริสเตียนนะคะเรามีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์เรามีชีวิตอยู่โดยมีจุดมุ่งหมายการสรสรเสริญพระองค์และมีชีวิตอยู่กับพระองค์นะคะมีคำพยานของผู้หญิงคนหนึ่งชาวออสเตรเลียนะคะเธอเป็นผู้นำนำมัสการนะคะเป็นผู้นำนำมัสการไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ แพทย์ได้วินิจฉัยเธอว่าเธอมีภาวะกระบังลมด้านขวาเป็นอัมาพาตนะคะจากผลกระทบของโรคเยื่อหุ้มเส้นประสาทอักเสบนะคะภาวะนี้ทำให้เธอออกเสียงยาวได้ต่อเนื่องยาวแค่เจ็ดวินาทีทั้งที่เธอเป็นผู้นำนมัสการนะคะปกติคนคนเราเนี่ยจะออกเสียงยาวได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบห้าวินาทีนะคะแล้ว การที่กระบังลมอัมพาตกระบังลมเนี่ยมีส่วนช่วยในการขยายปอดและหายใจเมื่อเขากระบังลมเป็นอัมพาตมันก็ไม่สามารถขยายได้เขาก็ไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงยาวๆได้นะคะแต่ผู้หญิงคนนี้เขากลับรู้สึกในใจอย่างแรงกล้าว่าเขาจะต้องร้องเพลงถวายให้กับพระเจ้าให้ได้แม้ว่าความสามารถที่จํากัดลงของเขาจากโรคนั้นจะมีน้อยลงเพียงใดนะคะ สี่เดือนผ่านไปเขายังผู้หญิงคนนี้ยังมีภาวะกระบังลมอัมาพาตเหมือนเดิมนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าการอัศจรรย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับเธอนะคะการขยายตัวของปอดเธอและความจุของปอดเธอกลับเป็นปกติถึงแม้เธอจะมีกระบังลมที่อัมาพาตแต่การขยายตัวของปอดของเธอสามารถมีความจุที่ปกติได้นะคะ เธอก็เลยร้องเพลงได้นานขึ้นแพทย์ที่รักษาเธอนี้รู้สึกทึ่งนะคะกับการที่ผู้หญิงคนนี้สามารถร้องเพลงได้ด้วยความจุบอดปกติแต่มีกระบังลมข้างขวาที่เป็นอัมพาตนะคะหลังจากนั้นเธอก็ได้แบ่งปันเรื่องราวของเธอให้กับทีมงานนมาสการเพื่อเป็นการกําลังใจให้กับทีมน้ำมาสการนะคะและหนุนใจให้ทุกคนไม่เบื่อหน่ายกับการสรรเสริญพระเจ้าของเรา ขอบคุณพระเจ้านะคะนี่เป็นเรื่องจริงที่ ท, ที่ที่เกิดขึ้นจริงนะคะทั้งพระธรรมโคโลสีบทที่สาข้อสิบและพระธรรมเอเฟซัสบทที่ห้าข้อิบปดบเนี่ยเปิดเผยว่าพระเจ้าให้เราร้องเพลงกับพระองค์และเพราะพระองค์เป็นเป้เปาหมายของการสรรเสริญของเรานะคะเอเฟซัสบทที่ห้าข้อ19บ้าบอกว่าจงร้องเพลงสะดูดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตนี้รรอเราอยู่ ะะถึงตอนนี้แล้วพี่น้องทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าทําไมเราถึงต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าหรือร้องเพลงนมัส ก, การพระเจ้าและเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าต่อไปนะคะสรุป7ข้ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือข้อ1เพราะการร้องเพลงนมัส ก, การคือการเชื่อฟังอย่างแท้จริงการแสดงความเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงข้อ2คือการร้องเพลงนมัส ก, การคือการอย่างลากลึกในพระวจนะนะคะ ข้อสคือเพราะการร้องเพลงสรรเสริญหรือนมัสการพระเจ้าคือการเสริมสร้างผู้อื่นไม่ว่าผู้เชื่อหรือผู้ไม่เชื่อที่อยู่ในบรรยากาศการนมัสการที่เดียวกันนะคะข้อ 4. เพราะการร้องเพลงนมัสการหรือเพลงสรรเสริญคือการประกาศสงครามกับซาตานและบาปข้อ5คือเพราะการร้องเพลงนมัสการคือการเพิ่มความเข้มแข็งให้จิตวิญญาณของเราในการต่อสู้กับการทดลองและความทุกข์ที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นนะคะ ประการที่หก็คือการร้องเพลงนมัสการหรือการสารรเสริญร้องเพลงสรรเสริญคือการยืนยันความเชื่อในการเดินตามแผนการของพระเจ้าและข้อเจคือเพราะการร้องเพลงนมัสการหรือเพลงสรรเสริญคือการมีชีวิตอยู่เพื่อ ย, ยกพระนามของพระองค์ต่อไปนี้เราจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าร้องเพลงนมัสการพระเจ้าตลอดไปด้วยเต็มเสียงนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันในบ่ายวันนี้